1>, 1. จีวรวัค 8. อุปค่ะตัสิกขาบทว่าด้วยคนตรเตรียมทรัพเป็นข้าจีวรเรื่องพระอุปนันทสกยบุตร 527. สมัยนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นชายคนหนึ่งกล่าวกับภรรยาว่า ฉันจะนิมนต์พระคุณเจ้าอุปนันทะให้ครองจีวรภิกษุผู้ถือเที่ยวบินธบาตเป็นวัดรูปหนึ่งได้ยินชายคนนั้นกล่าวจึงเข้าไปหาท่านพระอุปนันทสักยบุตรถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่าท่านอุปนันทะท่านมีบุญมากชายคนหนึ่งในที่โน้นกล่าวกับภรรยาว่าจะนิมนต์พระคุณเจ้าอุปนันทะให้ครองจีวรท่านพระอุปนันทกล่าวว่าใช่ขอรับ เขาเป็นอุปถาของกระผมเองต่อมาท่านพระอุปนันทสกยบุตรได้เข้าไปหาผู้นั้นถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วได้กล่าวว่าได้ทราบว่าโยมต้องการจะนิมนต์อัตมาให้ครองจีวรจริงหรือเขาตอบว่าจริงครับท่านกระผมมีความคิดว่าจะนิมนต์พระคุณเจ้าอุปนันทให้ครองจีวรท่านพระอุปนันทะกล่าวว่า หากท่านต้องการะนิมนต์อัตมาให้ครองจีวรก็จงให้ครองจีวรชนิดนี้จีวรที่อาตมาไม่ใช้แม้นิมนต์อัตมาให้ครองก็จะมีประโยชน์อะไรทีนั้นบุรุษนั้นจึงตำหนิประนามพลธนาว่าพระสมณะเชื้อสายสักยบุตรมากๆไม่สันโดษดะนิมนต์ให้ครองจีวรไม่ใช่จะทำได้ง่ายฉะนั้นพระคุณเจ้าอุปนันทสักยบุตรซึ่งเราไม่ได้ปรวรณาไว้ก่อนจึงเข้ามากำหนดชนิดจีวรเล่า ภิกษุได้ยินคําตําหนีประนามโพลธนาของชาวบ้านบรรดาภิสษุผู้มากน้อยสันโดษพากันตําหนิประนามโพลธนาว่าชไนท่านพระอุปนันทสักยบุตรซึ่งเขาไม่ได้ปรารณาไว้าวาก่อนจึงเข้าไปหาเครือหัดกําหนดชนิดจีวรเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตําหนีท่านพระอุปนันทสักยบุตรโดยประการต่างๆแล้วจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ